พ่อแม่หลายคนเลยนะอยากจะให้ลูกเนี่ยมีาศาสนาถ้าเกิดลูกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีาศาสนาไม่นับถือาศาสนานี่พ่อแม่นี่หลายคนจะเป็นทุกข์มากเลยอันนี้เพราะอะไรนะเป็นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าเนี่ยมีาศาสนาก็คือมีคุณธรรม ถ้าไม่มีศาสนาก็แปลว่าไม่มีธรรมะหรือไม่มีคุณธรรมเอเมนถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยไม่มีหรือไม่รับถือศาสนานี้พ่อแม่ จ, จะเป็นทุกข์มากเพราะคิดว่าลูกเนี่ยอาจจะไม่มีคุณธรรมก็ได้แต่ว่าไอความเชื่อว่าเนี่ยศาสนากับคุณธรรมเนี่ยไปด้วยกันนี่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นก็ได้นะหมายความว่า มีศาสนาแต่ว่าคุณธรรมบกพร่องหรือว่าไม่มีน้ำใจไม่มีความเอื้อเฟื้อก็ได้นะและนี่ก็คือสิ่งที่มีการค้นพบนะจากการศึกษาการทดลองเมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยพบว่าเด็กที่มีศาสนาเนี่ยอาจจะมีน้ำใจน้อยกว่า เด็กที่ไม่ได้นับถือาศาสนาก็ได้อันนี้เ็ามีการศึกษานะทดลองกับเด็ก5ขวบถึง12ขวบจำนวนพันกว่าคนนะในประเทศหลายประเทศทีเดียวนะอเมริกาแคนาดาตุรกีจอร์แดนแล้วก็จีนด้วยนะก็คือประมาณ 2-3 สทวีเนะเด็กพันกว่าคนนี้ก็ ครึ่งนึงเนี่ยก็มาจากครอบครัวที่นับถือศาสนาแล้วก็เคร่งศาสนาด้วยอีกครึ่งหนึ่งก็มาจากครอบครัวที่ไม่ได้นับถือศาสนาแล้วก็ให้เด็กทำกิจกรรมนะก็คือว่าเนี่ยเอาสติกเกอร์เนี่ยสวยๆเนี่ยประมาณสามสิบอันเนี่ยให้เด็กแต่ละคนเลือกบอกว่าเลือกได้นะที่ชอบเนี่ยสิบอันนะสติกเกอร์เนี่ยที่ชอบเนี่ย เลือกได้10อันเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะแบ่งให้เพื่อนที่เหลือกนี้ก็จะให้เพื่อนไปเลือกแต่คนนี้พอเด็กเลือกได้10อันเนี่ยนะที่ชอบเนี่ยคนทดลองก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยุติเท่านี้ไม่สามารถที่จะเอาสติกเกอร์อันอื่นเนี่ยที่เหลือนี้ไปให้เพื่อนๆนเลือกได้ <Ă> <า>นั่นก็หมายความว่าเด็กคนอื่นเนี่ยในกลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้เลือกสติกเกอร์เลย มีเด็กคนเดียวหนะ้าที่ได้เลือกแล้วเขาก็ดูว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเมื่อเห็นเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้สติกเกอร์เนี่ยเขาจะทํำยังไงเขาจะแบ่งไหมแบ่งให้เพื่อนหรือว่าเก็บไว้คนเดียวแล้วก็เพราะว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่นับถือาศาสนาซึ่งหมายความเด็กเนี้คงจะมีาศาสนาด้วยปรากฏว่าไม่ค่อยแบ่งนะ ในทางตรงข้ามในเด็กที่มาจากครอบครัวที่เขาไม่ค่อยนับถือาศาสนาหรือไม่มีาศาสนาเลยซึ่งก็หมายความว่าเป็นเด็กที่พลอยไม่มีาศาสนาหรือไม่นับถือาศาสนาด้วยเพบอกว่าแบ่งนะแบ่งให้เพื่อนที่ไม่ได้สติกเกอร์อันนี้ก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าทาไมเด็กที่มีาศาสนาหรือมาจากครอบครัวที่เคร่งาศาสนานี้ จึงไม่ค่อยมีน้ำใจเมื่อเทียกับเด็กที่เขาไม่นักถือศาสนาหรือว่ามาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยได้สนใจศาสนาเท่าไหรก่ก็อธิบายงี้วันเนี่ยเด็กที่นักถือศาสนาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วเขาสวดมนต์หรือว่าเขามีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาเช่นเชื่อพระเจ้า ก็เลยคิดว่าเนี่ยฉันมีาศาสนาฉันก็เป็นคนดีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้สนใจกับพฤติกรรมหรือการกระทำของตัวเองเท่าไหร่ก็ฉันเป็นคนดีแล้วนี่นะงั้นทำอะไรไปมันก็ก็ถือว่าดีทั้งนั้นแหละตรงข้างกับเด็กที่เขาไม่มีาศาสนาหรือไม่นักถือศาสนาเนี่ยเขาก็มีความตระหนักว่าเนี่ย คนเราจะดีหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่การกระทำนะถ้าทำดีเพื่อเพื่อผู้อื่นนะจึงจะเริ่เป็นคนดีแต่ถ้าไม่มีน้ำใจนะเห็นแก่ตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่ยังไม่ดีเท่าไหร่พูดง่ายคือว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นว่าเนี่ย คนมีศาสนาคือคนดีแต่เด็กกลุ่มนึงบอกว่าเนี่ยต้องทำดีนะถึงจะเป็นคนดีนะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะของคนที่็ตาองการทดลองนี่ว่าอันนี้คือเหตุผลหรือคำอธิบายว่าทำไมเด็กที่มีศาสนาหรือมาจากครอบครัวที่นักถือศาสนานี่เขจึงไม่ค่อยมีน้ำใจ บอกคิดว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วเนะ่ยเขาสวมดมนต์ไหว้พระเขาไปวัดฉันมีศาสนาเพราะว่าฉันมีศาสนาฉันมีความเชื่อฉันไปวัดฉันก็เป็นคนดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องทําอะไรกับคนอื่นนี่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นคนดีแล้วเนื่อนะทำอะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละสาที่คนที่เขาไม่รับถือศาสนาเนี่ยเขาก็ ตรนักว่าเนี่ยจะเป็นคนดีได้มันต้องทำดีมันต้องเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องมีน้ำใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะและที่จริงถ้าเรามามองในเมืองไทยเนี่ยนะเราก็อาจจะหลายคนก็จะเห็นอย่างนั้นนะคนที่เคร่ง น, ะนับถือศาสนาไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยนะโดยพ่อประเภทที่ว่าเข้าวัดทําบุญบ่อยๆนี่ จำนวไม่น้อยนี่ก็ไม่ค่อยมีน้ำใจเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นอย่างเราสังเกต ด, ดูเนี่ยคนที่ไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือคนป่วยนะหรือไปช่วยเหลือคนแก่คนชาราหรือไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่านับถือาศาสนาหรือเคร่งาศาสนานะ คนเคร่งาศาสนาไปไหนหมดน ะ, ะก็ส่วนมากก็เข้าวัดนะก็ไปทำบุญนะไปถวายสังฆทานหรือสวดมนต์บ่อยๆแต่พอถึงเวลาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือส่วนรวมนี่จะไม่ค่อยแข็งขันเท่าไหร่ส่วนเ่เป็นเพราะว่าเนี่ยก็คิดว่านะการทำความดีคือการทำกับพระนะการบำรุงวัด เรื่องการทําบุญก็ฉันทําบุญอยู่แล้วฉันทําดีอยู่แล้วนะเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปช่วยคนอื่นนี่ก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเลือที่ว่าเนี่ยทําบุญกับพระนี่มันได้บุญมากกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นนะไปช่วยเหลือคนอยากคนจนไปช่วยเหลือคนป่วยนี่มันได้บุญน้อยกว่าทํากับพระแบบนี้ก็มีนะ เรยเป็นเพราะว่าการสอนนะการสอนให้คนการสอนสาศาสนาเนี่ยเราเป็นเน้นเรื่องการปลูกศรัทธามีศรัทธาในพระรัตนตรยัยหรือเป็นเน้นเรื่องพิธีกรรมมากสวดมนต์เข้าวัดทมบุญใส่บาตรแค่นี้พอละซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการทำดีกับคนที่อยู่เหนือกว่าเรา เนีเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าผู้ที่อยู่สูงกับเรานะคิดว่าทําดีกับท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ก็พอแล้วพอจะได้อนิสงส์แต่ถ้าทํำดีกับคนที่เท่ากับเราอยู่ระนาบเดียวกับเราอยู่ระดับเดียวกับเราหรือต่ํากว่าเรานะีมันได้บุญน้อยกว่านะหรือว่าได้อนิสงส์น้อยกว่าท่า น, นี้ก็มีความเป็นความเชื่อในหมู่ชาวพุทธจำนวนมากที่ เรียกว่าเคร่งนะหรือว่าสายวัดนะดังนั้นการที่จะใส่ใจกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือส่วนรวมหรือการใส่ใจกับสิ่งว่าล้อมกันน้อยหลงอย่างที่พูดเมื่อสองสวัน ก, นก่อนว่าเนี่ยในอเมริกานี่คนที่เคร่งศาสนานี่จะไม่ค่อยสนใจเรื่องปัญหาโลกร้อนเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะคนนับถือคริสต์นะคนนับถือพุทธก็คงคล้ายกันดนัการสอนศาสนาเนี่ยบางทีมันออ่ มันทําให้เกิดความเข้าใจที่ผิดได้และในวรายการเนี่ยการทดลองนี้เขชี้เห็นว่าคนที่เขาไม่มีศาสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณธรรมนะก็มีคยมีน้ําใจมีความเอื้อเฟื้ออย่างที่เราคิดว่านี่ถ้าลูกเราไม่มีศาสนาลูกเราจะไม่มีคุณธรรมนี่อันนี้มันก็ไม่แน่เสมอไปไม่มีศาสนาไม่นับถือศาสนาแต่ว่ามีคุณธรรมมีน้ําใจก็ก็มีอยู่นะแล้วก็มีเยอะด้วยเพราะมันไม่เกี่ยวกับ เชื่อหรือไม่เชื่อนับถือหรือไม่นับถือศาสนานะีมันอยู่ที่ว่าเราใส่ใจการกระทาของเราแค่ไหนถ้าเราเห็นความสาคัญของการมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ไม่เปเปรียบคนอื่นอันนี้นอกจากเรื่องมีคุณธรรมแล้วก็ยังเรียกว่ามีศาสนาด้วยนะแต่เป็นศาสนาที่ไม่ได้เป็นแบบแผนของคนส่วนใหญ่